วันนี้จะกระซิบกระซาบแล้วนะภรรยาเอาว่ามาสามีวันนี้จะไปขอแต่งเมียใหม่ได้ไหมภรรยาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสามีแม่อีหนูรู้สึกเก่าแก่แล้วมีแต่ว่าดุว่าดุคำนี้เป็นคำไม่ดุคำนิ่มนวลอ่อนหวาน